เจ่าขเรื่อยชีวิตเราก็เช่นกันใจกายให้ถูกใจใจให้ถูกความบริสุให้ถูกต้องการทำให้ถูกต้องความเพียรให้ถูกต้องตั้งสติไว้ให้ถูกต้องมีความมั่นคงให้ถูกต้องอย่าเป็น การอิดข้นหินตั้งแต่โต้นจนถึงสมัยปลายทางกาชีวิตของหลอมเมืเ่อเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดมีกายมีใจกายก็มีสิ่งที่ถูกท่องใจก็มีสิ่งที่ถูกท่องมีสิ่งที่ผิดด้วยเหมือนกัน เราจึงมาหาชาัยมีสติสมอชัญญะแม่มีปัญญาก็ต้องมีสติไม่ใช่ปัญญาพดาูดพาดบางทีก็ผิดด้วยปัญญาขาดสติการงานขาดสติความคิดที่ขาดสติ แลนก็ทงไม่ผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเราจงมาฝึกให้มีสติกำกับให้กายใช้จิตใจของเราเราก็เห็นอยู่กายก็เราก็มีอยู่ใจก็มีอยู่นอกจากกายจากใจก็มีวาจามีความมีการกระทา มีอะไรหลายอย่างทำให้เกิดผิดพลาดได้ดังที่เร ส, สอทขยายข้าสูตรมักวิงแปดในขีดนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงจุดหมายปลายทางถ้าเราฟังดูแล้วมีแตสติ เรืองต้นก็สติทางกลางก็สติที่สุดก็สติมีสติสำชัญญะแล้วเลยอยู่นอนคือนิพพานสา ม, มาสมาธิเหมือนพระพุทธเจ้าตันิพพานพระอนุทัะเป็นผู้ที่ลำดับดู พระสงฆ์ท่องพวงคอยถามพ ร, ร, ระอนุทพระอนุทธะเป็นผู้ชำนาญในฌานสมาบัติพระองค์อยู่ในกระทับนอนระหว่างต้นหลังทั้งคู่หลังเท้า ว่องฟ้ า, าพม่าผู้หนึ่งต้นหนึ่งตังบนศรีรษะอีกต้นหนึ่งถ้าอนุนปูผ้าสังขารติให้นอนถ้าหอมหอมให้พระสงฆ์ก็ดูไม่มีใครพูด มีแต่คอยถามว่าพุทธเจ้าอยู่ที่ใดเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ไล่ไปตั้งแต่น่นหลับตั้งแต่มรรคหลงแปดจนถึงสมมาสมาธิเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าอยู่ตรงที่มีสติเห็นได้ว่า อะไรที่เราพูดเป็นภาษาบาลีว่าจานที่หนึ่งวิตกวิจาร์ปิติชุขเอตกตาที่สองที่สามไล่ไปละวิตกวิจาร์มีปิติมีโอบขามีสติแล้ ว, ลวอยู่ผลที่สุดที่สุดที่สุดคือ มีสติแล้วเหลืออยู่มีสติแล้วเลืออยู่วิตกวิจาร์อุอเบกขาเลยโมนันวางหมดมีแต่สติแล้วเหลืออยู่มีสติแล้วเหลืออยู่ พ, พระพุทธเจ้าปัจจุบันที่ตรงนี้มีสติมันก็เห็นทุกอย่างเห็นการกายเห็นหรือท น, นา เห็นจิตเห็นธรรมวางไปวางไปมีสติเลี้วเล้วอยู่อะไรก็เห็นอะไรก็เห็นํำนานก็ออํำนานมาแล้วสี่จุห้าปีในการมีสติมันก็เป็นศินละปะเหนือการเกิดเจ็บเจ็บตายได้ไม่ใช่เรื่องที่ ธรรมดามันเป็นกฎของธรรมดามันเป็นกฎของธรรมชาตินั้นเป็นตําให้มันเป็นไม่ใช่ให้มันรู้เพราเราทําสูตรขนมสูตรอาหารสูตรเค็มสูตรต้มไข่เค็มปลาส้มปลาจม อะไรที่ทําให้มันเค็เามาหน่อไม้มันจืดๆเอามาทําให้มันส้มมันเป็นไม่มีใครไปให้มันเอาลดส้มให้มันไม่มีใครไปเอารสเค็มให้มันเมื่อมีสูตรทําไปก็ใครก็เค็มหน่อไม้ก็ส้มปลาก็ส้ ม, ปสมเป็นปลาโจมเป็น ขงกินได้ไปไม่เหม็นข่าวจากเหม็นข่าวมาเป็นส้มเป็นเคมแปนั่นทำให้มันเป็นมันมีส่วนที่ทําให้มันเป็นเราฝึกชีวิตของเราฝึกสติให้มันเป็นไม่ต้องไปทํามันไม่ต้องไปยื่นอาการ สมให้มันไม่มีใครทําได้เพาะทำอย่างนี้ทําอย่างนี้ทํำนี้มันยิ่งเป็นอย่างนี้อ่าไม่ใช่ไปใช่ปัญญาหัวคิดเหตุผลอะไรว่าแต่มีการกระทําให้เกิดขึ้นทําหน่อไม้ส้มเป็นไหมไ้ชี้น้อยน่าเพรา ะ, ะไม่เคยทํา <laughs> ทําไก่เข็มไก่เข็มเป็นไหมไก่เข็มทําเป็นไหม บางคนเขาทำเป็นบางคนก็ททำไม่เป็นเพราะไม่ฝึกชีวิตที่มีสติเวลามันอะไรเกิดขึ้นมีสติั้นฝึกมามก็เลยมาสติก็จบมันมีกายเห็นกายก็เห็นนี่แหละเป็นสติไอเห็นแล้วก็จะว่าไปก็ได้ไม่ว่าก็ได้ กายจัว่ากายไม่ใช่สัตว์ปุกคนัตวตนเราเขามันก็ไม่มีค่าไม่เอากายมันเป็นตัวเป็นตนสิ่งที่ทำให้เป็นตัวเป็นตนเตัวจะกายี้ความร้อนความหนาวความหิวความปวดความมวยไม่แตุ่กทุกอะไรต่างๆบางทีก็ ให้ความสุขให้ความทุกข์หลงไปกให้กายเป็นสุขให้กายเป็นทุกข์หาความสุขหนีความทุกข์ที่เกิดกับกายจนมีการกระทาเกิดขึ้นถ้ามีความทุกข์หนีความทุกข์ไปทำมันเอื่อญกินเหล้าหมอยาเที่ยวเตลละเร่ร่อนหลัหนังฟังเพลง มันเขาก็ได้ว่าหนีทุกข์กบเกื่อนเอาไว้แล้วความสุขก็แปอ่อนเอื่อยมาเป็นสุขเอาอกายมันเป็นทุกข์อกายมันเป็นสุขมันก็ไม่จบไม่สิ้นเราจากหมาเห็นถ้าเห็นเรามันก็จุดเทียนนอนควงสุขก็ไม่มีค่าความทุกข์ก็ไม่มีค่าเห็นเวทนาสักไว้เวทนา เวทนาคือสุขคทุกข์เกิดกับกาไม่ใช่ตัวตนนั่นคือเวทนาถ้าจะว่าไปอย่างนี้ก็ได้เห็นกาเห็นสุขเห็นจิตที่มันคิดมีทุกคนมันคิดเป็นตำรี่ชอบคิดชอบเมื่อมีความคิดเกิดการกระทําขึ้นมามีการพูดขึ้นมา มีการดําเละขึ้นมาดําเละไปทางหาไปบาดเมื่อเหมือนคิดเตียดชังก็พยาบาทเกี้ยแท้นมันก็ลาเละไปจากความคิดก็ดมันไม่รู้เมื่อมีพยาบาทก็มีอัญหาธรรมเกิดขึ้นแสดงออกมาทางกายทางวาจาร โู้จาก็ไม่ชอบโสเสียดเฝอเจอขังหยาบจึงมีสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวาจาสัมมาคือทวามถูกต้องมิจฉาคือความไม่ถูกต้องมันมีในชีวิตของเราเราผิดพลาดเพราะ คำพูดเราผิดพลาดเพราะการงานเราผิดพลาดเพราะสุขควทุกข์บางทีเสียเปรียบความสุขเสียเปียกความทุกข์เพาน้ําเหลวมาไม่มีที่ลังยั่งยืนลหลงไหลในความสุขลหลงไหลในความทุกข์มีเหมือนการพอใจคนบางคนโกรธพอใจในความโกรธ มีใครไปห้ามว่าไม่ยอมทำยังไงก็มายอมหลวงตาเคยไปอบลมสำเนนภาคดุริลอนที่ภาคใต้โต้กันกับเพื่อนมีเนนทะเละกันต้องไปพูดให้อภัยกันยกมือไหว้กัน ที่พูดไปที่ทําไปผิดขออภัยก็ไม่ยอมถ้าผมไม่ได้ตีมันสักแล้วผมไม่ยอมผมไม่หายโกรธต้องตีมันสักหน่อยจึงจะหายโกรธก็ทําไงก็ไมายอมให้ตีนให้ตีโบโบเหมือนกับลูกน้อยเราโกรธให้กันก็บ่นตีมันตีมันจนแม่จับมือให้ตี ให้ตีกันพอตีกันแล้วก็หายโกรธัางทีก็หัดไปอย่างนั้นยกมือไหวไม่เอาต้องตีกันต้องด่ากันนีคนไปบอกไปสอนให้ก็ไม่เอานั่นก็ความโกรธบงการบงงานความรักบ่งการบ่งงานเป็นธาตุของความโกรธเป็นธาตุความรัคมกความเหวียดความรัก ความรักก็มีหลายอย่างทางตาทางหูอะไรต่างๆ ท, ท, ที่มนเกิดความรักก็หลงตงนีนบางต้าจะให้เห็นตามอียมักแล้วเห็นมันเห็นมันก็มีสมอายที่เกิดขึ้นได้ปัญญานี่คือความรักนี่คือความเกลียดชังนี่คือความโกรธนี่คือความทุกข์นี่คือความสุข เห็นแล้วสมมาสมาธิสสมมาทิติแล้วเหมือนกลางวันเห็นทิศทางแสงสว่างเกิดขึ้นมองเห็นนี่เราฝึกเอาไว้บางทีถ้าไม่ฝึกก็มืดได้หลงได้หลงอยู่เรื่องกายก็เยอะหลงเรื่องใจก็เลอะหลงเรื่องจิตใจฉุกทุก แหลงเรื่องเก่าหลงแล้วหลงอีกมีเหมือนกันเรียนวายวัดต่อสองสารแล้วก็สมาธิามากเนี่ยถ้าเราฟังโดดดีลึกซึ้งกางที่เราสวดสาสยายเมื่อกี้นี่ลึกซึ้งมากตั้งแต่ เราฝึกสตินี่ก็ลึกซึ้งเห็นกายสภาวะกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตอนตนเราหรอตอนที่เกิดสุขเกิดทุกข์กับกายไม่มีแล้วสิ้นภพสิ้นชาตินิพพานไปแล้วตอนสุขทุกข์ที่เกิดอยู่กับกายนิพพานไปแล้วไม่ออกมาเป็นสุขไม่ออกมาเป็นทุกข์ออามาเป็นเห็นไปแล้วเห็นแล้ว การเกิดการเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเมื่อเห็นแล้วก็หลุดพ้นเมื่อเห็นแล้วก็ก็ผ่านไปเอาไว้ข้างหลังแล้วไม่อยู่ข้างหน้าเหมือนเราเห็นหัวแขนหนามพ่นหนาเห็นงูพิษก็พ้นงูพิษเห็นเสือก็พ้นเสือเห็นช้างก็พ้นช้างเห็นคนหลงก็พ้นจากคนหลงเห็นเราหลงก็พ้นจากเราหลง หลบหลีกเป็นอีกช่างเสีบบาหลีกคนบ้าร้อยเส้นถ้าพอหลีกได้นี่เราก็เห็นเวทนาที่มันฉุกมันทุกข์ก็เห็นแล้วอเวทนาที่เป็นฉุกเป็นทุกข์นิพพานไปแล้วดูซิมันไม่มีอีกแล้วถ้าว่าเป็นฉุกเป็นทุกข์ก็ อะไรก็ตามสุกทองตาก็ได้เห็นสุกทองใจก็คิดได้พอใจสุกทองหูก็ได้ยินสุกทองจมูกเรี่งยงไก่ใจราะสมมุติวัญหยัิว่าชอบบันนี้เห็นแล้วความสุขไม่ใช่ชีวิตจริงๆไม่เห็นแล้วมันเป็น เมื่อเกิดการเห็นแล้วมันเป็นชีวิตจริงกลัวไม่เป็นเห็นไม่เป็นเห็นแล้วไม่เป็นเนี่ยมันปลอดภัยบริสุทธิ์เป็นพรหมจรรย์ไม่เปื้อนเพื่อนเห็นมันสุขไม่เปื้อนเพื่อนความสุขเห็นมันทุกข์ไม่เปื้เพื่อนความทุกข์เห็นทุกอย่างไม่เป็นอะไรทุกอย่าง เห็นหมดทุกอย่างนี่คือสมมาทคิดถิเห็นจิตที่มันคิดโดยคิดเห็นทุกแง่ทุกมุมต้องใจคิดก็ใช่ได้มันลกคิดไม่ตั้งใจที่เป็นสมุทัยเป็นสังขารหยุดได้ เหมืนเรามีรีโมดเปิดทีวีมันอยู่กับมือเราเนี่ยเราไม่ชอบรายการนี้โปรแกรมนี้ก่อนลำนี้อ่านหนังสือไม่ชอ บ, บอก็ไม่ต้องอ่านไม่ต้องสนใจเลือกได้รีโมดคือเลือกได้ชีวิตของเราเมื่อมีสติ เมื่อมันเห็นแล้วปิดได้มันผิดทำให้มันถูกถ้าตามันผิดทำให้ตามันถูกให้เห็นโชคเหมือนก็ให้หลังวันเขียความถูกต้องจิตใจของเราก็เหมือนกันให้หลังวันจิตใจเวลามันหลงรู้ให้หลังวันแล้วเขียแล้ว คนทำดีรอให้รางวัลเหมือนเด็กพับกระดาษแข่งขัดกันไปถึงกับประเทศอื่นๆเด็กน้อยในหรางวัลตั้งชื่ออะไรอ ะ, อะไรตั้งชื่ออะไรสัตว์เชียงให ม, ม่ตั้งชื่อเพะได้รางวัลรถเก๋งได้เงินเป็นล้านล้าน เอาให้หลังหวัลคนเก่งบางคนไม่มีความเก่งสักอย่างเลยเพียงแต่เอาให้หลงเป็นลูกก็ยากให้ทุกข์เป็นลูกก็ยากจะไปทำอะไรได้ในชีวิตของเราเนี่ยขมโกรธให้เป็นคนลูกก็ยากนี่เราจึงฝึกขัดชีวิตของเราไม่ใช่แค่นี้ชีวิตเรานอกจาก เกิดจากกายเวทนาจิตธรรมแล้วมันจะต้องมีแก่ไม่เจ็บไ ม, ม, ม่ตา ย, ตายมันต่อไปถึงโน้นให้เห็นแจ้งนั้นอย่าให้มืดตรงที่มันแจ้งพระเจ้ายังเปรียบพระธรรมในเปรียบนั้นแสงสว่างส่องในที่มืดก็คือเมื่อบัรรลุเนี่ยมีแสงสว่างเมื่อบรรทุกรู้นี่ย ปิดของที่เปิดของที่ปิดให้เปิดออกแล้วมีความหลงมันมีความไม่หลงก็มีเปิดไปให้ดูหาออกจากชีวิตของเราเนี้ยความโกรธมันมีมันปิดความไม่โกรธก็มีม <c oughs> ีอยู่ถ้าเห็นเราว่าเปิดออกถ้าเป็นแร้ว่าปิดไว้ <c oughs> บางทีปิดกบเกลื่อนความผิดความทุกข์ความโกรธไว้มันก็ยังไม่อยู่เปิดออกให้มาเห็นแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหงายของใจคว่ำหมายขึ้นแล้วดูได้แต่ก่อนมาคว่ำอยู่หรือนี้หงายขึ้นแล้วเห็นได้เนี่ย แม่แต่ผิดถูกสุขทุกข์อะไรอะไรมันเป็นของที่ถูกอยู่ตรงนั้นของผิดอยู่ที่ใดความถูกอยู่ที่นั้นความทุกข์อยู่ที่ใดความไม่ทุกข์อยู่ที่นั้นความหลงอยู่ที่ใดความไม่หลงอยู่ที่นั้นความโกรธอยู่ที่ใดความไม่โกรธอยู่ที่นั้นเก่งมากมากไปจนหลังการเกิดอยู่ที่ใดความไม่เกิดอยู่ที่นั้นการเจอยู่ที่ไหนความไม่เจอยู่ที่นั้น การเจ็บอยู่ที่ไหนก็ไม่เจ็บอยู่ที่นั้นข้อที่สี่พูดตัวเองอะไรฮะอะไรต่อไปฮะเกิดเจ็บอะไรต่อไปตอบบอสักวันหนึ่งนะเราจะพูดออกมาเห็นแจ้งในคิดของเราเลย จะไปลองให้เสียใจเวลามันเจ็บมันตายอย่างไรมันเห็นแล้วเห็นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เห็นต่อเมื่ออยู่ในห้องไอซียูมันเห็นเดี๋ยวนี้เห็นการเกิดเจ็บเจบตายมันเกิดจากเนี่ยถ้ามันยังเกิดความหลงก็ยังมีความเจ็บเจบตายในเรื่องอะไรต่างๆมากไปนะเห็น เอเห็นเรื่องนี้แล้วมันก็ต่อไปหมดเลยเกิดสัมาทิฏิเห็นชอบไปหมดพูดชอบคิดชอบทำชอบตั้งใจชอบการงานชอบความเปี่ยนชอบไปตลอดสายเลยตั้งแต่ต้นเหมืนคนเดินผ่านด่านต่างๆ <c oughs> ที่มันหลงเหมือนเราเดนทางไกล เราเดินทางถานนที่มีเปิดเป็นสองหนึ่งศูนย์สองอะไรสองศูนย์หนึ่ ง, ง, งนนั้งนระั บ, บองว่าถึงกรุงเทพอย่าเลืมว่าสองศู น, นังตั้งต้นจากเชียงค้อ ไฟหลีกตรงไหนเขาเขียนไว้สองศูนย์ด่งทางคงตรงไหนเขาบอกว่าลดความเร็วสี่แยกตรงไหนเขาบอกว่าสี่แยกมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยให้ระวังระวังเหมือนกับทางไปสู่มรดผลในผ่านผิดตรงไหนจราจร นี่คือมันผิดระวังอย่าให้ผิดซ้ำมือ น, นเราเดินทางไกลขับรถไปถ้าจะเปรียบเหมือนเดินทางไปสู่มอกขนถึงจุดหมายปลายทางน่ารักบนถนนจะได้ละมันระวังลูกจากเขาเฉียนป้ายจราจรบอกไว้ไปตามป้ายจราจรปฏิบัติตามกฎลถอุบัติเหตุได้ไม่มีภยัย น่ารักที่สุดเดินทางมิตรภาพเดินทางสายสุขุงวิทถึงสุดประเทศไทยตอนใต้เดินทางเพรเชรเกษมสุดประเทศไทยตอนที่ตะวันออกเดินทางอะไรฮะเอเชียอะไรพวกหนโยทินถึง สุดทางประเทศไทยเินทางอลิมัสุดทางของชีวิตจบรอยชาติสิ้นแล้วผมว่าจัน จ, จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วเจอจรติดขัดไปไม่ได้ไม่มีความถูกต้องเขากักเขากักที่ตรงไหน กายก็กัดไปแล้วไปแพ้ได้ไม่มีความถูกต้องไม่มีความชอบมันมีสติผิดกฎหมายจราจรเขาเห็นกาชจะว่ากายไปแล้วไปแล้วพ้นไปแล้วบางทีจราจรมัน ต, ม ต, มมม ต, มมติดความโกรธติดไหมไปถึงความโกรธมีบ้างไหมติดความโกรธอยู่จีวันจีคืนมีไหม จะจอจติดขัดคนที่เคยรักโกรธกันแล้วไปไม่ได้เลยความรักหาไม่เจอทะเลาะปพอแะเวงกันอิชชาเบียดเบียนกันมันติดแต่ถ้าคนฝึกเรวง่ายง่ายเหมือนกับมือแงบบง่ายง่ายวางซะวางให้เป็นเย็นให้ได้ถ้าวางไม่เป็นมันก็เย็นไม่ได้ การวางใจเนี่ยมันง่ายง่ายหัดมีความรู้สึกตัวไม่รู้จักวางก็รู้สึกเอาไว้ก่อนมีสติเอาไว้ก่อนนี่ต้องฝึกตนสอนตนอย่างแ น, น่ไม่ใช่เรื่องธรรมราชีดเรานะเป็นมนุษย์สมบัติถ้าไม่ฝึกก็เป็นเดรัจฉานสมบัติถ้าฝึกดีก็เป็นสวรรค์สมบัติ ถ้าไม่เปิดก็เป็นนรกสมบัติไปเลยงันมีนรกมันมีสมองคนเราไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานถ้าเปิกดีก็เป็นนิพพานสมบัติจอดเยี่ยมไปเลยจบรอยชีวิตเราจบรัเตือนน ม, มสาวๆตื่นแต่ดึกสึกแต่อนม่มเนี่ยจะอยเท่าหอยเก๋แลวมันไม่ได้คนเจ๋งอ้อมย่อมทะลักทะเลมากนั้น้องตา ไ, ไนก็จากมาก่อนเท่า <c oughs> อยากเดินรอมวัดก็เดินไม่ได้แล้วทางเช่นขึ้นไปบนนี่ไม่ได้เดินมา20ปีแล้วเดินแต่ก่อนเดินรอบตัวอยู่แล้วนี่กวนเข้าไปเดินไปนอนทางสวนสุธารัด โอ้มานิดหน่อยได้จชวนหลวงพ่อใหญ่ลวงว่ากรมเดินลองบัดเราแต่ว่า อ, อยางว่ามีรถให้รถพาไปหลายข้างละ่ะไม่ต้องอ้างได้ไั้ยเดินเองไปถึงไหนถ้าไปไม่รอดไปร่มที่ใดก็รอย ลอยไปเท่าก็เียตามไปเคยบอกคนเคยบอกเพื่อนที่นี่สมัยสีห้าปีก่อนทำงานจนจนวินเขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยทำมาเจ็ดอารมเฉ็ดไปแล้วเข้าสวนป่าแล้ว ไม่เห็นหมาฉันข้าวแสดงมาไปล้มตายอยู่ในป่าตามดูก็ได้จะมีรอยถางหญ้าจะมียอยจับสายยางดีนลรถน้ําต้นไม้หลายชั่วโมงจนวินเวียนจนเป็นโรคมะเร็งเออไม่มีอะไรไม่เคยกินไม่เคยเครียดอะไรมันโหมมันฝืนกําลังเกินไปดีนลรถน้ําต้นไม้ถางหญ้า เอาีวิตเท่าแรกเพราะอะไรโกรธโกรธอะไรอโกรธมีเหมือนกันนะลอนตาโกรธเหมือนกันโกรธอะไรโกรธไฟไหมป่าเวลาใดปีไหนเขาก็เล่าเรือไฟไหม่วัดป่าโกรธแค่ว่าโกรธให้ไฟแล้วโกรธต้นแก่น่ยเขาก็เต็มทีแล้ว อยู่วัดภูกระถงปอยไม่ป่านาทาาไหนพอขี่รถขึ้นเขามองหาแต่วัดป่าสกุลตัวเมื่อยควรไฟกิขึ้นเอาแล้วไฟเยี่ยงแล้วดังนั้นก็เห็นอยู่ปอยควรนคุ้มขี่แอดเหมารถบอเอร์ไไป หลังพ่อไว้ไม่วัดตามหมดแล้วจะอยู่ยังไงพวกเราเอาจารรงศีลให้ไม่ขีผลของไปอยู่สระน้ำมัดโกรธใช่ไหมมือเราก็เจ๋อหกสิบอา่อาฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่าน่า่า่ อก็จึงมาสู้กับไฟป่ามีเพื่อนเยอะแยะช่วยกันยอดโยมช่วยกันเมื่อมาคิดเรื่องไฟป่ากมาคิดเรื่องตามกําแพงเลอาวัดมันโกดนะไม่ใช่อยากมีชื่อเสียงนะโกดให้ไฟโกดให้คนตัดไม้ปีนั้นใบตามบนบ้านใหม่ตามกลางบ้าน บนเบิกบ้านเขาพอสวดมงเชิดตอนเย็นก็บอกเข้าบ้านเข้ามาจะเล่านี้านให้ฟังฝันยมปุ้ว่าจะบอกเลขบอกอหวยหลังเขาหลังตาจะแก้ความฝันนี้ฝั ง, งเข้ามานั่งสลอนอยู่ต้องกัน อ๊ะฝันว่ามีวัดแห่งหนึ่งใหญ่โตมากห้าร้อยไร่ได้ฟังไหมไม่ไปบอกห้าศูนถุนนะห้ <c oughs> าร้อยไร่มีชาวบ้านใกล้ๆวัดสี่สิบหลังคาเรื่อนทีห่หลงตาจะวัดคนเดียว มีไปไม่ป่าทุกปีหลวงตาองนั่นฝันว่าจะทำกาแพงรอบวัดหลวงตาองนั้นอายุหกสิบกว่าปีแล้วหลวงตาองนั้นจะมีอายุ1อ0ยี่สิบปีจะทำาแพงอีกหกสิบปีห้าร้อยไรจะเฉลดไป <laughs> ย้อมหัวลอเลยก็ย้อมหัวรอก่็ให้ผู้ใหญ่บ้านไปขี่เขตอุ้ยเขตให้ตั้งต้นจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปด้านทิศใต้มาปรึกษาจอมสงสินอาจสางสาาินออกแบบให้ใหออกชาว่ า, ามาถาม จะตังสินให้ห้ อ, องละเม็ดละพันบาทเหมาสร้างหมดกำหนดปนูนกำหนดเหล็กกำหนดรูปแบบไปแยงกันทำอะไรแต่ว่าฝาันจกักชิดไหมเงินสา0หมืนบาทมันไม่หยุดส0 0หมืนบาทเอาตะพตเพือไปแเมอไหไม่มีงานทำ ไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไปเชื่อของหน้าเราก็ให้ของมามองให้หยุดก็ไม่หยุดทอมไปเรื่อยแต่ว่าจะมาขายรถมีรถคันหนังคันอีเขาวจนะ้ะพอหาขายรถไม่ได้ขายก็มีคนมาช่วยมีคนมาช่วยพวกเรามาช่วยมาช่วยสองปีกว่าเสร็จหรอ ความฝัน จ, กจักเิ็ไหม <c oughs> อันนี้ก็เหวินเจะากโกรธนะนีโกรธให้ไฟถ้าใครโกรธให้ความทุกข์เขายันลงไปอย่าไปทอแท้ทุกข์พอเลยเสียเงินพอหลยสุบุรีกินเล้าหรือเอรเลยขี้เกียจหรือขายันเอาเลยนะเห็นเจอตัวเสือฉะลาเอเลย นี่ ว, ว่าโกรธบงกันมีประโยชน์โกรธให้ความชั่วต้าหลงเทิดลราเอาละเหมือนหลวงพ่อเทียนโกรธให้แม่บ้านทำบนกระถินทำมืกระถินก็บอกแม่บ้านให้แม่บ้านดูแลการใช้จ่ายตะเป็นอาหารการเจริญให้ให้ใช้รับผิดชอาทั้งหมด ว่าพ่อเทียนจะเป็นคนรับแขกนั่งอยู่ไฉหนู่นขาวห่วมขาวทำบุญอยากได้บุญบอดีกระถิ่นเสร็จแม่บ้านมาถามต่ใช้จ่ายไงเงินก็อนั่นเอานี่จะให้เขาเท่าไหร่พ่อเทียนโกรธทันทีเลยโกรธให้เมียทันทีไม่พูด ก็บอกแล้วทำไมมาถามอย่างนี้ถามยัยนั่นโกรธล้วก็ไม่พูดไม่ตอบหน้าเบี้ยวไปเลยวันีก็ได้โอกาสก็พูดทำไมมาถามอ่ะด่าเมียบอกแล้วมาถามเนี่ยมันจะอะไรกัน แม่แม่แมบ้างก็บอกเอา้าก็ถามผัวเมียกันถ้าไม่ถามจะถามใครผัวแม่กันจะทำอะไรก็ถามกันค่อยถามเท่านี้เจ้าก็โกรธหรือเจ้าทำบนห น, น้อโ่นเทียนน้อบนกระเถียนนอแทนที่จะได้บน่นเจ้าเป็นทุกข์นะตกนระกแนละ้วโอ้เถียน คิดแต่โอปัทโตบุญนี่ยทำบุญขนาดนี้นนยังโกรธอยู่โกรธแะเจ้าคนเดียวค่อยไปโกรธหอดดกเป็นทุกข์ซะเข็นควาโกรธตียอปทโตบุญขนาดนี้นนยังโกรธอยู่ยังทุกข์อยู่เอาละเนี่ยเห็นรชาติของโกรธ โอมทุกหมาเป็นหลายช่วงหมองขวดจะมาพูดลองในออกมามีบ้างไหมอดอกูไม่ได้ด่ามันกูไม่โกรธต้องไปด่ามันให้ได้พาไปจนน่าจะด่าเมียใช่ไหมพอเมียพูดขึ้นเนาะเสียใจฮะท่าโทที่ไหนเลยเข้าศึกษากรรมฐานพ่อเถียนเป็นเจ้าของเหลือลำใหญ่ ลองม่น้ำของเหมาสองฝั่งสุดเงอใต้สุดมีอาจารย์มหาสีจันทร์แล้วโศกป่าหลวงเ <c oughs> มืองเลาสอนกรรมฐานนั่งเรือไปด้วยสนธนากันไปถา้าเห็นมา่ตัวเองไงสมั ย, า ม, ายมีความทุกข์ความโกรธถามไป ตามไปจนนั่งสุดทายตั้งแต่ถ่าบอกถึงโหไปไหนนู่มหมาของพ่อมหมายิัญไรยพู่อถึงคำนังว่าพี่เถียนเจ้าจะมาถามจังทีปีบันจีเขินมันก็ไม่รู้ดอกถ้าเจ้าบกปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิภาวนาให้มันเห็นจะถามมาวันบ่ได้หรอกเลยไปฝึกกรรมฐานตีนนิ่งใช่ไหมตีนนิ่งนะตีนนิ่งตีนนิ่งตีนนิ่งเมืองเราเมืองเราไม่ตีนนะตนิ่งตงนิ่ง ต ง, งิตงมงิงงหิง ง, ง, งหัดมาภาษาไทยเราก็รัวโก้สักหน่อยไหวนิงตัดออมาตัดออมาตัอมาลูึกลู่ศึกลู่ึก ปิงนิ่งก็ตัดต่อไหวนิ่งก็ตัดต่อนี่แต่รู้สึกรู้สึกรู้สึกโดยมาถึงรู้สึกตัวนะบางทีคนก็เพี้ยนไปนะเพี้ยนไปเค ย, เยแย้ไขรเราผู้หญิงมีหน้าอกเวลาเขายกมาเนี่ย ขไม่ทำนะเนีขาเลือดไม่ก็ไม่สวยใช่ไห ม, ไมห่บอกว่าไม่ต้องทำแบบนั้นไหวมาที่ผู้ชายไม่มีหน้า อ, อกมันเป็นไรแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พออย่าเอา ม, มาที่แค่นี้นก็พอ <c oughs> เอวังก็มีด้วยประรการชนนกับพระพอมกัน